สองอกโกสกวาหมวดว่าด้วยโทษของการด่าหนึ่งอกโกสกัดสูตรว่าด้วยโทษของการด่าสอง อ, อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายพิกษุผู้ด่าบริพาทเพื่อนพรหมจรีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษห้าประการ โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ต้องอบัตป ร, ราชิกหรือตัดทำเป็นเครื่องปิดกัน้น 2. ต้องอบัดเศร้าหมองในกองใดกองหนึ่ง 3. เป็นโรคร้ายแรง 4. หลงลืมสติมรณภาพ 5. หลังจากมรณภาพแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาทนรกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ด่าบริาพาสเพื่อนโรมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษห้าประการนี้แลอโกสกสูตรที่หนึ่งจบ